โกดไม่ถูกขณะเขียนหรือนี้ก็ยังยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเท่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงแทงเข้าตรงหน้าผากนั่นนะเป็นกระแสจิตที่เท่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้พลังจิตเขาว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนือ อ่าเนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงเนี่ยตรงกลางตรงแสงหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเข้าอุปาทานความเย็บในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันก็ปวดศรีรษะเทงออกข้างหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้า กดความรู้สึกแค่ต่ําลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ําคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราปรุงขึ้นมาอ่าข้อต่อไปการกําหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกําหนดอย่างไรพระพุทธเจ้าสิ่งที่ควรจะกําหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำํำพูด เราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืนเรานอนรู้ว่าเรานอ น, อนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเราลับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งภายอุจจาระปัสสาวะกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากําหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุก ต, ตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเราดันตลอดไปนี่คือการกาหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอก ภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตอของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าอะไรนี่จุดติตามที่กล่าวาาาว่าจิตหรือวิญญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอนซึ่งหมายว่าจิตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิต จะออกจากล่างไปพร้อมกับนำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนที่ในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัฒสอนเพราะมีกิเลสจิตประพัฒสอนได้ในภาสิต ท, ที่ว่าประพัฒสลมิ ท, งทังพิกเวจิ ต, ตังจิตเป็นธรรมชาติประพัฒสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิม คำว่าประพัทสอนของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดน้อมที่จะดูดสิ่งสกปรกคือสียอมได้เจตประพัสสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยโดยที่ยังไม่มีอาญตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นเจตของคนเราเมื่อออกจากล้างไปมีแต่เจตดวงเดียวยังไม่ถือไปติสมทิก็มีเจ่จิตล้วน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 ในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัดตนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสําเร็จไปมีพาน <c oughs> อ่าข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหรันต่มรณภาพแล้วจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนาไปอยู่ที่ใดไม่สัตว์ เปรียบเหมือนฟันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าฟันไฟมันลอยไปอยู่หน้าที่แห่งใดสำหรับผู้เจนผู้ที่มีใช่พระอาหารหันต์เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อสามหลักที่ว่าวิญญาณอานิจจังวิญญาณังอนิจจัง ตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนี่แปล ว, ว่าวิญญาณนั้นเที่ยงถ้าวิญญาณไม่เพียงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอตอบข้อที่สองก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใด หดือจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบแบาควันไฟไปอยู่ที่แห่งใดเออันนี้ตอบอยากสั้หน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอะหรหันต์แต่จะขอเอาคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอบาลีสิริจันโทจันมาตอบท่านเจ้าคุณอบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคันนี้ไว้ว่าพระอะหรหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลก าะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตตรลธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล้องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามาลติติอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขา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 คำตอบของหลวงพ่อผุดนะหลวงพ่อพุ ท, นะพพทเจ้าไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คําตอบอีกทีนึงแอ้ว <c oughs> ข้อที่สามหลักที่ว่าวิญญาณังอนิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับปินณาอ่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่เมื่อจิต วิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับตายก็แปลว่าวิญญาณนั้นที่ยอันนี้วิญญาณ น, นังอนิจังเนี่ยคำว่าวิญญาณนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดรู้ขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเขา้าเช่นตากระทบกับรลปเกิดความรู้ขึ้นเรียกจกขูวิญญาณแล้วก็ แต่รัวาลทวาลมีสิ่งกระทบโสตวิญญาณธานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรูทางหูตาจะ่ารูทางหูจะโหมเลื่นกายแหลกใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าสัญญาเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดนฝึกเมื่อโลกยังปรากฏอู่ความรู้สึกมีสัญญา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 แต่ลักษณะของปฏิสนธิวิญญาณนี้มีลักษณะสักว์แต่ว่าโล้จักไปกุดไปเกิดโลจักไปปฏิสนธิโล้จักจุติยังเป็นวิญญาณังอ น, นิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนครบาเปลี่ยนรบเปลี่ยนชาติซึ่งย่ำจะเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมทั่วไปทั่วเป็นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษ พบหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินทถ้าถึงข่าวสวยเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอ น, นิจจงคือพบที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใข่ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประกาจรจึงขอปราบเลียนพระคุณเจ้า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 เมื่อเจสงบปลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบบ้างางไม่มีอะไรเราอาจจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัธรลมิ ท, งทางภิคเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือจิตรัางเดิมของเราทีนี้ในเมื่อเจมันอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัสสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหม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 มุงสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวอก็ควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่ะใชจะการปฏิอาจะปฏิบัติในทางใดกล้องเหตุใดถ้าจะปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสองทางจะวุ่นวายหรือไม่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 เือทั้งสองฝ่ายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางขั้นปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเรื่มใสเกิดความนับถือเกิดกิตทิลิศเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาภผลอันเป็นฝ่ายอามิตรไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สหอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ทีนี่ทั้งมหายานเลยเทราวาดก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออาเมศสองปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสำเร็จนิพพานทีนี้ที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้นควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลมุมรรผลนิพพานอาเมศ แต่วความไม่ยอมรับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลลอยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรม ด, ด, ดีตามแนวของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อใครทําดีแล้วทําได้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาประจมป้อมลงไปแล้วจะปรารถนาสมบัติเป็นโลกีโลกุตละก็ได้ทั้งนั้นถ้าใครเชื่อมัน่นแล้วก็มุ่งตรงต่อความสงบจิตจะรู้จริงเห็นจริงในสภาวาธรรม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 โดยมีความตั้งใจข่มและบังคับจิตให้น้อมไปในทางที่สงบบางทีเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วจะกลายเป็นสมาธิตัวแข็งเพื่อฉะนั้นพูดที่ภาวนาเพื่อจะให้เบากายเบาจิตกันจริงๆแล้วอย่าไปบังคับความรู้สึกเพียงแะ่ควบคุมจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้น เพียงอย่าภาวนาพุทโธเนี่ยเลิถึงพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องตันเมื่อเราเลิกถึงพุทโธพุทโธาพุทโธไว้กับจิตจิตไว้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนมัติหน้าที่เพียงแค่เลิพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกเบาเบาและก็อย่าไปปรารถนาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทางนั้นเมื่อทําไปพอสมควรแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเอง แต่ว่าต้องทำให้มากๆหน่อยี่สิบนาทีสามสิบนาทีไม่พอเวลาเดินจงกรมกัหนดอนาปานสตติเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าเห็นแผนดินที่อยู่ข้างหน้าหมุนหมุนได้เหมือนกับน้ำในตุ่มที่ถูกมือกวนอันนี้เป็นสภาวะของติดไอ้ความหมุนความเวียนความ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 ก็พลิกเปลี่ยนจะมานั่งพับเพียบก็ได้หรือจะลุกไปนั่งเก้าอี้ก็ได้ในขั้นต้นนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนอิรยาบถเป็นสำคัญถ้าเราฝึกฝนจิตให้สามารถที่จะเข้าสมาธิในขั้นชานได้เร็วเมื่อมีทุกเวทนาเกิดขึ้นรีบาหนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ไดปล่อยวางความเจ็บปวดนนั้น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 อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติปัฏฐานแลคนและประโยชน์มหาสติปัฏฐานแต่ว่าฐานที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงจึงได้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานทีนี่ฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทน า, าจิตธรรม ผู้ใดเอากายเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นาเป็นเครื่องลูกของจิตจิตเป็นเครื่องลูกของจิตทำเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติกำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเจริญให้หมักหมากก็ทำให้หมักๆเมื่อทำได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมาโดยจิตไปยึดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างๆหรือพร้อมกันหมดทั้งสี่อย่างเกิดสมาธิขึ้นมา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 ทีนี่หลงความโลภและจิตพุ้งใหญ่กลายเป็นสัญญาวิปลาสไปสําคัญจิตว่าเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระถินเนผ้าป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่าทายกมีปัจจัยสี่อะไรก็ได้โดยเจตนาน้อมเข้าไปถวายเพื่อสูง เข้าไปในวัดเข็นไปในวัดสัพพทุมเนี่ยไปบอกกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานจะกล่าวก็ตามไม่กล่าวก็ตามคำถวายสังฆทานเพียงจะประเคนของแล้วของนี้ถวายสังฆทานณนะับระคุณจักบอกให้ท่านรู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานแต่ถ้าจะทําให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆแล้วในเมื่อจัดของที่จะสังฆทานแล้วเราก็นําเข้าไปหาพระนิมนต์พระทักสี่องค์เป็นอย่างน้อย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 แต่ถ้าทํากับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงฆ์มากถ้าหากว่าทําแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานยิ่งเป็นอานิสงฆ์อย่างมากไปผลแตกต่างกันอย่างนี้ผ้าตาแหละกระถินกรถินนี่เป็นสังฆท า, านโดยสงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าปานี่เป็นสังฆท า, านก็ได้เป็นส่วนบุคคลก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้าผาักแต่กรถินนี่ต้องสังฆท า, านอย่างเดียว อ่าในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมีมาแต่เมื่อไหร่นรกสวรรค์เริ่มรรมีพร้อมพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับนรกสวรรค์นี่มีมามีมาตั้งแต่สิ่งที่มีวิญญาณเกิดขึ้นในโลกถ้าหากทางรัศมีทยาศตาาาว่าโลกแผ่นดินนี่ตกเป็นชิ้นส่วนซึ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอนแรกตก็มีความร้อนระอุเหมือนไป ภายหลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์นรกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกทีนี้สวรรค์นรกนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่อ่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านรกมีสวรรค์มีดังที่ว่าพระพุทธเจ้า ต, ะ ต, ะตะาารัสรู้สัจธรรมของจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้างตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนตรัสรู้ อันนี้นรกสวรรค์นี้มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้มารู้ <c oughs> า <c oughs> ตามคำอธิบายตามดูนามอ่านดูนามธรรมเกิดดับพอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันรวมได้แต่ตามโลกลายรูปธรรม ให้เห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันนธรรมนั้นไม่เข้าใจทีนี้การตามดูกายให้เห็นเกิดดับในปัจจุบันนธรรมเพื่อความจำง่ายๆลมหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นส่วนของกายลมออกนี่เป็นการสูด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 เราฉะนั้นนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลผู้มีแต่เพียงศีลห้าเท่านั้นไม่เป็นอุปกตรต่อการบรรลุมรรคผลการปฏิบัติแบบใดที่จะทำให้อ่ให้มีความรู้จิตของตนเฉเพาะภายในความทั้งพูดคุยกับคนอื่นๆ อันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไรคำถามนี้ตรงกับคําที่ว่าทําอย่างไรผู้ที่ไม่สามารถจะรักษาศีลแต่ได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆเพราะตัดกระเพาะ อ, อาหารไปบางส่วนฉะนั้นได้แต่ปฏิบัติเพียงศีลห้าได้แต่ปฏิบัติเพียงศีลห้าก็ดีพอแล้วการปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาด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 เช่นอย่างบางครั้งก็ไปหลงเชื่อให้เขาไปลงกระหม่อมแล้วก็ไปยกโคยกอะไรขึ้นมาภาวนาแล้วก็เสียสติสตังมีการเข้าเจ้ารงผีไปเลยรซ้นองนั้นมันไม่ถูกทางอันตรายของนักปฏิบัตินี่มีมากเหลือเกินไอโกฏิ ท, ทาไปนั้นไม่ทราบว่าท่านมุ่งผลประโยชน์อันใดนี่ก็ไม่ขอวิจารณ์แต่ว่าการที่ไปเรียนสมาธิแบบมันเหมือนกับเรียนศยศาสตร์กันเป็นการไม่ถูกต้อง อาจารย์กลองหลวงพ่อนี่ยก็สอนคนแต่ท่านสอนแต่ฆราวาสและฆราวาสที่ก็สอนแต่โยมผู้ชายโยมผู้หญิงไม่สอนเรียกว่าสอนทำพระไตรใครภาวนาเป็นแล้วมีสมรรถภาพในการขับไล่ผีคนที่ถือผีถือสางนี่เอาไปทําน้ํามนต์ขับไล่นี่เลิกถือผีถือสางหมดแต่ว่าเมื่อภาวนาแล้วปีขึ้นแรง พอภาวนาตอนแรกๆเน้นุดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธในใจพอเกิดปีติขึ้นมาแล้วจะมีเสียงพุโทโธพุโทโธพุโทโธดังก้องออกมาพอดังออกมาแล้วยังเหลือแต่โทโทโทโธคดเทียวพอเงียบโธลงไปแล้วทีนี้ไม่สวดปฏิโมกก็ต้องสวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็ต้องแสดงธรรมแต่อันนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ภาวนาแล้วเกิดเสียสติสตังเอาไปใช้ประโยชน์ในทาง ทางช่วยคนที่เขาถูกผีบรบกวนอะไรได้ปัญหาข้อต่อไปยังเหลือฉบับเดียว้านโลกสวรรค์มีก่อนพระพุทธเจ้าแล้วคนสมัยก่อนไม่ตกลโลกหมดหรือเพราะยังไม่โลธรรมคำสอนโลแต่การดำรงชีวิตยอยู่เท่านั้นการทำดีในระดับขั้นสี่ละรำ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 ทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นพระินผู้ใดอยากเป็นเทวดาก็ให้มีหินโอตระปะละอายต่อบาปจะดุงกลัวต่อบาปที่นี้ผู้ที่ทำดีที่ไปเกิดสวรรค์นเนี่ยเช่นอย่ญญางฝรังเขามาตั้งโรงพยาบาลให้เมืองไทยเราเขาก็ทำบุญสาธารณประโยชน์ทันนี้เขาก็ทำบุญได้ คนในลัทธิศาสนาอื่นก็ทําดีที่จะให้ไปเกิดสวรรค์ได้แล้วก็ทําชั่วในขั้นที่จะไปตกนรกได้ทำมาที่ว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเป็นการภาวนาก็อยู่ในขั้นที่จิตเดินภูมิปัสฉนาสามารถที่จะพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของพระไตรัก เคยเห็นอริยจังทุกขังอนัตตาจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อันนี้คือภูมิชั้นของศาสน า, าของพระพุทธเจ้าแต่ระดับของสมาธิตั้งแต่ชา้นขั้นที่สี่ถอยลงมาถึงขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นระดับสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกระดับศาสนาถ้าหากว่าเจี่ยวกวับกุภวนานี่ยติดอยู่เพียงแค่ชานสี่ขั้นนี่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 แล้วก็ค้นจากกิเลสได้อันนั้นอยู่ในขั้นศาสนาพุทธโดยเฉพาะการแผ่เมตตาให้กับผู้เจ็บร้ายต่อเราหากจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสของผู้รับหนารับไม่ได้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 ไปแล้วนานๆเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเข้งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟอีกเหล่านี้อีกเลยอยากทราบว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไร อ, อการหลับตาเข่ง <c oughs> ในเมื่อหลับตาเข่งลงไปแล้วมองเห็นดวงไฟ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 มันจะคปอนหดกข้ามาหดเข้ามาจนกระทั่งมาถึงตัวเราในเมื่อมาถึงตัวเราแล้วจิตสงบละเอียดควบลงไปเกิดสว่างต้องขึ้นมาจิตเริ่มมีสมาธิถ้าหากสมาธิอันนี้เรายังรู้สึกว่ามีตัวปรากดอยู่เป็นสมาธิขั้นอุปจาระถ้าหากว่าปรากฏว่าตัวหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อันนั้นเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิขั้นอัปปนานี้ อปนาขั้นต้นนี่มันเป็นเตเปียงปฐมมจิตปฐมบิณ ญ, ญานปฐมสมาธิเป็นผุบภะนิมิตรทีนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกขัดเข้าออกสมาธิให้ชำนิชำนาญตามองค์ฐานนั้นๆจึงจะนำสมาธินั้นไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวิปัสนาในขั้นต่อไปได้อย่างชำนิชำนาญอันนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตเรื่อยๆไป <c oughs>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 เป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือเอาความรู้ที่เรียนแล้วมาปฏิบัติปฏิเวทคือผลซึ่งเกิดจากความรู้นั้นออจากการปฏิบัตินั้นพรดฉะนั้นปริยัตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนไม่เรียนมากก็ต้องเรียนน้อยไม่เรียนน้อยก็ต้องเรียนมากก็เป็นแนวทางจะไม่เรียนเลยนั้น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 อันนี้ปัญหาข้อนี้อาตมาก็อยากจะทำความเข้าใจของบัณฑากับบรราท่านผู้ฟังทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปปฏิบัติสู่ที่ไหนอย่างไรเอาเราเอากายกับใจนั่นไปปฏิบัติทีนี้ถ้าหากต่างว่าทุกๆท่านอาจจะตั้งปณิธานว่า ฉันจะพยายามสร้างห้องพะในบ้านของฉันเนี่ยให้เป็นวัดน้อยๆขึ้นมาแล้วฉันจะทำสมาธิภาวนาอยู่ในห้องตะของฉันนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปในสำนักรูบาอาจารย์ที่ห่างไกลลำบากเช่นต่างจังหวัดเป็นต้นเป็นไว้เสียแต่บางครั้งบางโอกาสที่เราอยากจะไปเพื่อเพื่อดู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 ในเมื่อฉันให้คําแนะนําคุณไปแล้วคุณไปทำที่บ้านในเมื่อคนทําของคุณอูที่บ้านคนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิภาวนาคุณก็มีพระปฏิบัติจิตวัตรอยู่ในบ้านคุณทุกวันถ้าคุณภาวนาทําจิตให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เพียงครั้งเดียวจะมีคุณค่ายิ่งกว่าที่นิมนต์พระตั้งแปดหมื่นองไปสวดหมดในเคยให้ให้กําลังใจอย่างนี้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 ถ้ามันหาความสงบไม่ได้ถ้าเราลำคาญต่อความสงบเราอาจจะตั้งปฏิธานว่าฉันจะนั่งสมาธิแข่งกับเสียงถ้าเสียงมันไม่เอียดไปฉันจะไม่เลุกถ้าหากนั่งสมาธิเอดมันสงบออไปแล้วตื่นขึ้นมานี่มันยังได้ยินเสียงรถมันวิ่งอยู่นั่งต่อไปอีกจนกว่าเสียงรถมันจะสงบเงียดไป ล้วจะเป็นอุบายที่ฝึกสอนจิตของเราให้รู้จักกับการต่อสู้ะังะนั้นเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจว่าไม่จำเป็นให้พยายามหาโอกาสทำที่บ้านให้มากที่สุดโดยสร้างวัดสร้างบ้านของเรา น, นั่นแนหะให้มันเกิดเป็นวัด <c oughs> อันนี้เห็นจะเป็นปัญหาข้อสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ปัญหาฉบับนี้ถามมาก่อน แต่เอาไว้ตอบเป็นข้อสุดท้ายข้อหนึ่งการปฏิบัติทุกกิริยาบทจปเจอเดินนั่งนอนผลปรากฏกว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยผลปรากฏภายในทั้งรู้ทั้งเห็นสว่างแจ่มใสเบิกบานมากเห็นภายในเป็นสายขาวบริสุทธิ์เข้าเส้นได้หลอดปรากฏชัดแจ้ง เจตสิกไม่ปรุงจิตได้เลยแม้แต่ขณะหนึ่งปรากฏการเช่นนี้เป็นอยู่ได้ดานถึงเจ็ดวันโดยธรรมชาติของการปฏิบัตินี้เราจะกาหนดตู้ลงไปได้ว่าหนึ่งจิตคือตัวรู้สองเครื่องรู้ของจิตหมายถึงอารมณ์ของจิตในลมหายใจเป็นต้นเมื่อเจตมีเครื่องรู้ สติมีเครื่องละลึกเช่นอย่างในปัญหานี้จิตกำหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้แล้วสติเอาลมหายใจเป็นเครื่องละลึกปลากฏการที่เกิดขึ้นติดตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกจนกระทั่งลมหายใจรู้สึกละเอียดลงไปเมือลมหายใจละเอียดลงไปแล้วปลากฏว่าลมหายใจก็หายไปต่างกายที่มีอยู่ก็หายไป แล้วเปล่ากฏ ว, ว่ามีจิตระบบนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ในในใ น, ในที่นี้ใช้คำว่าขาวสายขาวบริสุทธิ์แล้วยังแถมว่ามีเป็นเส้นเหมือนเส้นได้หลอดที่นี่เส้นได้หลอดนี่มันก็ไปตรงกับคำว่ากระแสจิตส่งหระแสออกไปไกลก็มองเห็นเป็นแสงพุ่งไปไกลตอนนี้จิตจังอยู่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 เมื่อจิตสงบลงไปในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิแม้่าตัวคือร่างกายจะหายขาดไปก็ตามแต่จิตก็มีสิ่งที่รู้อยู่บางครั้งปรากฏการอาจจะเป็นในทำนองนี้พอจิตสงบแน่นิ่งลงไปแล้วจิตจะแสดงอาการลอยออกจากล่างแล้วมาลอยอยู่เหนือล่างส่งกระแสส่องลงไปดูล่างที่ตอนอาศัยอยู่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มองเห็น อาจจะคลื่อนเอือเ น, น่าเปื่อยผุพังยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดแล้วสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือแม่จะเคลื่อนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ก็มไม่ปรากฏในความรู้สึกมีแต่จิตดวงเดียวลวนๆและในบางครั้งในเมื่อสิ่งที่มองเห็นด้วยสิ่งที่มองเห็นคือวัตถุคือร่างกายที่ปรากฏนั้นหายไปแม้แต่จิตอยู่ในลักษณะที่นิ่งสงบเป็นปกติอยู่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 อาจจะมีอะไรผ่านเข้ามาอย่างละเอียดละเอียดละเอียดจิตก็มองเห็นสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่มีอาการหวั่นไหวไปตามท่านผู้นี้จึงเรียกว่าเจต ส, สิกไม่ปลุงหมายถึงจิตสงบนิ่งลงอริยมรรคชุมพร้อมที่จิตแนวจิตสามารถประคลองตัวอยู่ได้โดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคถึงแม้ว่าจะเป็นท่านต้นก็เป็นแนวทาง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 แล้วก็รู้ด้วยใจเราจะนั้นท่านผู้นี้จึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นคือรู้ด้วยใจแล้วมองเห็นด้วยสายตาอันนี้เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในขั้นตน้นในขณะที่จิตกําลังเป็นอุปจาระสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าจิตนิมิตเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบระเอียดจนกระทั่งจิตไปนิ่งเด่นเป็นหนึ่งแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาจิตรู้เห็นอยู่ อันนี้เป็นนิมิตที่จิตรู้ด้วยใจโดยด้วยจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นนิมิตในขั้นตน้นขั้นโอคานิมิตจิตรู้แล้วก็คล้ายมองเห็นนิมิตนั้นด้วยตาขั้นปฏิภาครใ น, นมิตจิตรู้แล้วก็มองเห็นด้วยใจเรียกว่าตาใจระดับอโอคานิมิตนี่จิตทั้งรู้เห็นด้วยใจทั้งมองเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ไม่ได้หลับตาแต่ประสาสตรการรู้เห็นทางตายังไม่หายขาดไปแต่ถ้าอยู่ในขั้นปฏิภาณนิมิตแล้วมีสติรู้เห็นคดเดียวจะผูกศาสตร์ไม่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจอย่างนี้ทีนีข้ข้อที่สามขั้นต่อมากำหลดจิตมี ส, สติปกคลองรักษาจิตอารมณ์เช่นนั้นก็ยังมีผลแบ่งอารมณ์ออกภายนอก <c oughs>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 โดยอาศัยหลักกายเวทนาจิตธรรมการพิจรารณากายก็คือพิจรารณาอาการสามสิบสองในแง่อสุภะธระมฐานาบังในแง่ธ า, าตุสี่ที่น้ำลมไฟบังโดยเ อ, เอาอาการสามสิบสองนี่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในขณะที่เรากำหนดพิจรารณาดูกายคืออาการสามสิบสองนั้นความจริงเราตั้งใจดูแต่เรื่องของกาย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 การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคําถามมาก็เป็นอันว่าตอบครอบพ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสอ่ขออาภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจรารณาต่อไปอีกไอ้ปัญหามีอยู่ว่า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 แล้วก็กำหนดจิตภาวนาเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้แต่เมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคําตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองอีกปัญหาต่อไปเวลาล่างสโสดมลโดนจงกลมรู้ว่ากำหนดสติอยู่ที่ลาย อ, อยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงเส้นหะน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ ก็ปกติดูมันลงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยโคตรไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี้ก็ยังยังตึนอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี้มันแ้่งไปข้างหน้าแต่เส้นที่รู้สึกว่าแทงแทงเข้าตรงหน้าผาดปัญหา ตป็นกระแสจิตที่เท่งตรงออกจาทางหน้าผากมากโวกนักใช้พลังจิตเพราะว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเนือ้อ่าเนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงเนื้อตรงกลางตรงแตหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทํานานๆเข้าอุปาทางความเยืดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติ บางทีเรานั่งสมาี่บางทีก็รู้สึกว่าเร า, าส่งกระแสจิตขึ้นไปสูมันก็ปวดศีรษะเพ่งออกข้างหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้ากดการรู้สึกให้ต่ำลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ำคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราตุงขึ้นมาข้อต่อไปการต้าโหลดจิตกามรู้ตามเห็น คือเจตจะกำหนดอย่างไรก็ะคุณเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามเราะว่าตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นต่อการเดินเดินนั่งหนออยืนเดินทำพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเราโยนรู้ว่าเรายืนเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเราลักทานรู้ว่ารักทานจะไม่ั้งใจจะรับปัญญากำหนดตามรู้ว่าต้อง่ยทุกอย่าง รวมเขามากําหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกาตลอดเวลาทำปฏิตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกําหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตอ่าของท่านต่อไป การพูด่าว่าจิตหรือวิญญาณเดินนั้นเป็นกับพักสรซึ่งหมายว่าจิตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปซ้อมกัดนำกรรมชั่วกันดีไปปฏิสนธิในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพักสอ่อราะไมจเกิต ถ้าเกิดประพัดสอนได้ในท้ายุดคือว่าประพัดสลัมมีธรที่เทวจิตตั้งจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิเข้าว่าประภัดสอนของจิตในท่านนี้เปลือดเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าสุดข้ายสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกปรกเคยสีย้อมได้ จิตประพักอนหมายที่จิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอาญานะมาเป็นส่วนประกอบเช่นจิตของคนเราเมื่อออกจากสร้างไปเมื่อจิตดวงเดยวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีจิตจิตล้วนๆจิตล้วนๆที่ไม่มีอวัยวะประกอบก็ยังไม่มีร่างกายมันทําอะไรไม่สำเร็จมีแต่ร่องรอยอยู่เสมออ้าอยู่เฉยๆ จด้เมื่อทำที่เราได้ทําไว้ในภพในชาตินี้ไปหลนส่งให้จิต ด, ดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกอะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจ ะ, จะมีการรู้สึกในคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันต่อพบต่อชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประภัสสนแต่ไม่ใช่จิตบริสรุทธิ์ประอาดเหมือนจิตสำเร็จพิพิภาร <c oughs> อ่าข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอาหารหันต่มรณะาภาพแรกเจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนอ่าไปอยู่ที่ใดไม่สับเปลื่อนหมือนกันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่ากันไฟมันลอยไปอยู่หน้าที่แห่งใดสําหรับผูเ้เจนผู้ที่มิใช่พระอาหารหันต์ เมื่อตายไปแล้วเราจะตัวเองได้กับไปหรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อสามหลักที่ว่าวิญญาณอ น, นิจจังวิญญาณังอ น, นิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพจอมกับร่างกายนี่แล้วว่าวิญญาณ น, นั่นเสื่อม ถ้าวิญญาณไม่เคลื่อนวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอสอบข้อที่สองก่อนพระองค์พระพุทธองกล่าวว่าพระอาหารหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดโดยจะเปรียบเหมือนควันไฟที่เราจะในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไปอยู่ที่แห่งใด เอออันไม่ตอบยากทั้งหลอยก็ว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่จะขอเอาคําตอบของจ่านเอกคนทาบาลีสลิจันโกันมาตอบท่านเอกคนบาลีสริจันโพจนท่านตอบท่านกล่าวขั้นี้ไว้ว่าพระอรหันต์ผู้สำเร็จอรนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกละขั้นแห่งทรามมีโลกียธรรมมีโลกุตตระธรรม สภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล่องอยู่ในโลกียังมีจิเลสปัญหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสปัญหามาน้าชี้ทิวอุปาทานได้ขาดเช่นแม้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีควารยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี้เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เปลี่ยนแต่ว่า อาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะสิ้นไป <c oughs> และความสําคัญมั่นหมายที่จะยึดถือสิงใดท่านไม่มีความลูกพันในโลกไม่มีท่านจาพระคุณอุบาลีจงแม้จิตละอาลัยอยู่ถึงอโลกเนหนือทุกตรงไหนเนือสมมติบัญญัตกราเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาอันนี้เป็นคําตอบของท่านจาคุณเตวบาลีแต่ไม่ใช่คำตอบของหลงพ่อพุทธนะ หววลวงพ่อกทษาไว้จากต่อเมือ่อโดนจิตตัวเหนือโลกเราจึงจะมาให้คําตบ <c oughs> อบอีกทีหนอ่อข้อที่สามหลักทื่ว่าวิญญาณังอลิจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับจินาตอาววิญญาณังอลิจังวิญญาณไม่เสื่องเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหมเ่เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับตายก็แปลว่า วิญญาณ น, นั้นเพี้ยนอันนี้วิญญาณังอันนี้ตังเนี่ยธรรมะวิญญาณ น, นี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดโล้ขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเขา้าเส้นตากระทบกับโลกเกิดความโู้ขึ้นเรียกจกะขู่วิญญาณแล้วก็แต่และทวานทวานมีสิ่งกระทบ หูตาเวียนยาณภาหน้เวิยนยานเจ้หาเนวะีนยาณกายเวียนยาณมัโลเวียนยาณโ ล, าลทางหูตาจ้าอโลทางหูเจะาเกเล่นตายหลายใจอันนี้เป็นวินยานาณในขันท่าสัญญาเลตนาสัญญาสังขารวิยนยานจึงทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็ น, นการเปิด มเมโลกจางปลากดอู่ความรูรม้สึกมีสัญญาอาเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางพวันหกจางปลากดอยู่นือเมื่อร่างตายอเนกตายศาสตร์สมลงไปแล้วพวันหกตาโหยสงบขึ้นกายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเอง แต่ลักษณะของปฏิสนธิวิญญาณนี้มีลักษณะ ส, สักต่อว่ารู้จักไปสุดไปตืดรู้จักไปปฏิสนธิโลดจักจุติยังเป็นวิญญาณังอ น, นิจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนครอบตาบเปลี่ยนครอบเปลี่ยนชาติซึ่งย่อมจะเป็นไป ต, ตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมตั่วไปตั่ว จนอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์ครับหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินถ้ า, ถงาสงครามซวยก็จะเกิดเป็นสัตว์โดยธรรมอันนี้เรียกวิญญาณังอ น, นิจจ์คือพจนที่เกิดกันยังไม่แม่มีทัศน์ไม่แ ม, แม่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉนันเป็นผู้ใกล้ปฏิบัติใกล้ใจจริงแต่มีข้อสงสัยในทางประการจึงขอจ่ า, จากเตือนพระคุณเจ้า เี่ยว ก, กับตัวกับนั่นเป็นแข้าใจขณะที่กําลังภาขนาดที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นอาจจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งเพ้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึ่งจิตต้องเราจะตามรู้อย่างนี้ เรื่อ่าจิตเกิดกับใช่ไหมเข้ามาจิตเกิดตับนี่หมายถึงจิตเกิน อ, อารมณร์ยกตัวอย่างเช่นพณานี้จิตอยู่กับกระดาษสีขาวมาเตะอยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วก็มาเกิดเป็นเขียว อันนี้เรียกว่าจิตติปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเกิดดับเกิดกับในวาระจิตหนึ่งเราจะนั่าเกิดดับเกิดดับนี้หมายถึงจิตเกิดเลืออารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดปล่อยวางอารมณ์สิ่งนี้ไปเรียกว่าดับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับแล้วก็จิตเกิดดับเกิดดับ อ น, นี้เป็นจิตอไรเป็นคามเกิดดับในช่วงสั้นซึ่งเป็นลักษณะเป็อนอารมณ์ของผู้ปฏิบัติจะ ต, ต้องกำหนดรู้ในปัจจุบันการทำสมาธิเป็นเวลานานตีหากยังไม่เห็นลิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นก็ทนสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีแต่ดิฉันเองขยันนั่งไม่ค่อถอย อารมณ์ของิลนี้นักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวง่ายถ้าย่งคนใจอ่อนอยากเฉียิมิดๆง่ายๆแล้วก็พลังบริกรรมภาวนาลงแล้วก็จิตที่สงบก็บ้างลงไปส่งกระแสจิตออกไปนอกแล้วจะเห็นภาพนิมดๆต่างๆ แต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากจะทําให้จิตของเรามาหลง<ม>การภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตามไม่มีก็ตามอย่าไปใส่ฝันอยากจะรู้บจะเห็นนิมิตนั้นๆความมุ่งหมายของการภาวนาลี่ในให้จิต สงบปลียงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรทีแลกเห็นความสงบของจิตแล้ความตึงสร้างของจิตก่อนเมื่อจิตสงบปลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สบงบตั้งบ้างไม่มีอะไรเราจะใกล้จะรู้ความเจริงของจิตร่างเดิมในลักษณะที่เรียก ว, ว่าประพักพลมิทางที่คเวจิตตังจิตเป็นธรรมท่าประพักสอง เพื่อจิตสร้างเดิมของเราทีนี้นเราเมื่อเสียพันอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัดสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไห ม, ม, ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้มเมื่อเสียพันออกจากสภาว่าดังนั้นมาลับรู้อารมณ์แล้วมันเยอะไหมมีความทุกข์ไหมตึงต้านไหมเบิดต้านไหมให้รู้ใหเห็นคําที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่สําคัญ แต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอย่าไปปรารถนาะอยากจะเห็นนิดๆเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางขางของจิตเท่านั้นจะรู้จะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขอให้มีจิตสงบรู้สภาพความเป็นจริงของจิตกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมี่อจะรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นพอแล้วอ้า ปัญหาของผู้ฐานเนี่ยโดยปกติแล้วปฏิบัติวันละยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอันนี้ขอเสนอว่าอย่างน้อยไปค <c oughs> อยตั้งคาณ์ทานแล้วว่าวันหนึ่งจะตั้งสมาธิให้ได้วันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าได้จากนั้นเป็นดีที่สุดแล้จิตจะสงบจะรู้ทำเห็นทำง่ายอาขอสองท่านต่อไปทางปฏิบัติทำทางสายมหายาน หลักเทราวา่าในข้อแตกต่างกันอย่างไรถา้าเมจิตตั้งมั่นมุ่งสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวเควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่ะใชจะ ก, การปฏิอจาจะปฏิบัติโดยทางใดก็หิบไป ถ้าจะปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสองทางจะเริ่มลายหรือไม่เอออันนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคำถามคือว่าการปฏิบัติในฝ่ายมหายานกับเถรลาว ต, ต่างกันอย่างไรอันนี้ขอบอกว่าถ้าฝ่ายมหายานจะพด้ฝ่ายเดียว ้าคุณเจ้าที่ปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันทางกายเวราวาดก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันเคยทั้งสองสายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่นใสเกิดความนับถือเกิดอิจฉาริ์เกิดปาติหานต่าง เพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดญาณผลอันเป็นฝ่ายอามิ t ไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายานและเถราวาตก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออามิ t สองปฏิบัติเพื่อความบริรสุธทธิ์เพื่อสําเร็จ anityapan ที่ควรจะเอจอเปนหลักปฏิบัตินั้น เพื่อนจะเย็ดหลักคือว่าปฏิบัติเพื่อคามบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอาเมตโดยความนิยมรับเู้ที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลปล่อยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติทำดีทำดีการแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเมื่อใครทําดีแล้วทําได้ดีแล้วถึงธรรมะที่ปัญญาเปลี่ยนจมพ่อมลนไปแล้วปราชนาสมบัดเป็นโลกีโลภุตระก็ได้ทั้งนั้น ถ้าใครเชื่อมั่นแล้กว่เมุ่งตรงต่อความสงบจิตไปเรือจริงเห็นจริงในสภาวะธรรมจนกระทั่งทำกิเลสให้หมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลาล่าจะมาที่รู้สึกว่าเหมือนกายจะระเบิะแต่เป็นเฉพาะที่ตามืลอจิตเก็นสบายโปร่งลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้น ควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นประสบก า, ารณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติและเราเกิดพอเราตั้งใจปฏิบัติแล้วความเอาใจใส่ในตัวเองมันก็ ม, มากขึ้นความเอาใจใส่ในจิตของเราเองความเอาใจใส่ในกายของเราเองและความเพ่งลงที่จะให้เกิดจิตสงบถ้ายิ่งความเพ่งเล็งจะให้จิตสงบมากเท่าไหร่ความเหน็ดเหนืยหนักท้ายในกายก็ย่อมมีมากขึ้น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 เพียงจะโคตรเต็มจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้นเพียงอยากภาวนาพุทโธเนี่ยเนื้อเงพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องกันเมื่อเราเนื้ถึงพุทโธพุทโธพุทโธไว้แต่จิตไว้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนมัติหน้าที่เพียงแค่เนื้อพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆและก็อย่าไปปรารถนาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทั้งนั้น เมื่อทำบ่อยๆสมควนแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเอง <c oughs> แต่ว่าต้องทำให้มากๆเลยนะยืดจิตตาที3สารคตาทีไม่พอเวลาเดินตองกรมสันนิษฐานตานักศึกเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าหมุนแานหุนที่อยู่ข้างหน้าหมุนหมุนได้เหมือนกับน้ำในถุมที่ถผกมือกวอนอเี่เป็นกภาวะของสึก ่ความหมุนความเวียนความตื้อแผ่นดินกระตุกกระตุนอย่างเราก็ตามอันนั้นเป็นอาการของจิตที่สูงขึ้นซครื่งจิตของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเูาปฏิบัติกําหนดรู้ลงที่จิตและเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงสภาวะเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องเล็กของสติระคับระคองตัวที่รู้เอาไว้ให้ดี แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะรู้แจ้งเสตจริงเองแต่ปัญหาข้อต่อไปเมื่อเรามีทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวดเป็ น, นต้นจะมีวิธีที่จะนาหรือบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไรทุกขเวทนาเป็นตัวทุกพระพุทธเจ้าสอนให้เพียงแค่ตัณฑ์รู้ว่าเป็นทุกข ถาหายใจสามารถที่จะเข้าสมาธิให้ถึงขนาดที่ว่าตัวหายไปได้ภายในครึ่งวิานาทีหรือครึ่งนาทีเรียกคนลดจุดเข้าสมาธิให้มันปล่อยวางคามมีตนมีตัวทุกคาเลทนานั้นจะหายไปแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างนั้นคนไม่ไหวก็คืบแข็งคืบขาเป็นอิริยาบถซะถ้านั่งลานักมันเจ็ปวดก็ เ, กเปลี่ยนเป็นเดิน หรือถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ า, า ย, าายนานเกินไปมันเกิดเล็กก็พุ่กลิ่นจะมานั่งพัดเทียบก็ได้หรือจะลุกมานั่งเก้าอี้ก็ได้ในขั้นต้นนี้ต้องอาสัยกานเปลี่ยนอริยาบทเป็นสาคัญถ้าเราเกิดผลจุิดให้สามารถที่จะเข้าสมาธิในขั้นชานไม่เร็ เมื่อเรตุกรเวธนาเกิดขึ้นรืกอต้นลดจิดเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ได้ปล่อยวางความจิดปูดนั้นปัญหาขงท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังคำหากคันสมาธิไปด้วยที่จรณาคำเทื่คําสอนในขณะนั้นจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินคบคอยคำแต่เมื่อถอมจากสมาธิแล้วก็เหตุใปจึงระลึกไม่ได้เลย อันนี้ภาวะจิตเตือนแต่รับรู้สัมผัสแต่ไม่มีความสำคัญ ม, มั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอ ไ, ไ, ได้ยินแล้วก็จราบว่าเ่อได้ยินได้ยินแล้วก็จยวางไปไม่ได้กดำหนดกฎจจรมเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรอ่ะละาลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรเวลานั่งฟังธรรมถ้าทํานั้นเป็นที่ ตื่โเโกรธใจจิตจะตามกันบอกรู้รำกระแสแห่งธรรมร น, นั่นเองถ้าว่าการแสดงธรรมนั้นไม่ดเรื่องไม่เติมใจจิตมันจะปล่อยวางไม่สนใจแล้วเข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นธรรมชาติของจิต ท, ที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติาฐานแบบคนล้วประโยชน์มหาสติาฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งสติ อันใหญ่หลวงจึงไม่นนชื่อว่ามหากติปัจจคติหลักฐาม ท, ที่ตั้งของสติก็คือกายเวยทานาจิตธรรมตัวในอาหกายเป็นเครื่องูลของจิตเวทนาเป็นเครื่องลูลของจิตแอบจิตเป็นเครื่องูลของจิตธรรมเป็นเครื่องูลของจิตเป็นเครื่องระ ล, ลึกของสติกําหนดเบ่อเบื่อทำเบ่อยบืพิจนารณาเมืองเมืองเจริญให้หมักหมากมาจะทาให้หมักหาก เมื่อทำได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมาโดยจิยตใปเย็ดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็น่างอย่างหรือค้อมอันหมดทั้งสี่อย่างเกิดสมาธิขึ้นมาทำให้พวก น, นั้นมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นดในเมื่อสติมีพละกกำลังแต่ใกลแล้วจะกลายเป็นมหาสติอัเมืในจิตเป็นมหาสติแล้วสามารถจกปฏิวัติจิตใสู่เปนจิตโตมธรรม สามารถจะทับประคองจิตไม่ตึงสั่งในเวลากระทบตับอารมณ์แต่เราเป็นสติอุรโยติเป็นผู้นํานําทางไปสู่ทองมัตตผลนิพพานขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการรู้ห็นอไม่รู้ต่างๆนั้นไม่สําคัญเพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาถึงนั้นเป็นที่แลลึกของจุตเป็นข้าเป็นเครื่องรู้ของจุตเป็นที่แลลึกของสติ สร้างสตตัวนีให้มีพลังเกินเป็นมหาสติัตนนีคือจุดที่นักปฏิบัติต้องการถ้าหากว่ารอภาวนาแล้วีความรู้ความเห็นมากมายใจกลางแต่สติตามไม่ทันมันหลงความรู้คือนิหนองความรู้แล้วจุตฟูงใหญ่กลายเป็นสัญญาวิปลฐไอ้สาคัญจิตว่าเราได้เป็นโลกมรดกนม่ทาน การถวายสังฆทานเป็นอย่างไรความแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระถินหนุ่มทาป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่าถ่ายกมีปัจจัยสี่อะไรก็ได้เดยเจตนาล้อมเข้าไปถวายเที่ยสูงเข้าไปในวัดขึ้นไปในวัดสัพพคุมเนี่ย ไปบอกกับพระองค์ในองค์หนึ่งแล้วพระพิจ า, าขอถว า, า, า, า, ายสังฆทานจะกล่าวก็ตามไม่ก ล, ากลาก่าวก็ตามคันถวายสังฆทานเพียงแต่ตะเชนของและของนี้ถวายสังฆทานแล้วก็กุืนเจ็บบอกให้ทํารู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานแต่ถ้าจะทําให้โกงก้ตามวิธีจริงๆแล้วไนนม่ตัดของที่จะสังฆทานแล้วเราก็นําเข้าไปหาพระนิมนต์พระสักสี่องค์เป็นอย่างไร ไปแล้วก็ปลูกผูกปลกเชียนไหว้พระสมทานศูนย์ท่าจ้แล้วก็ว ก, าา ก, วก่กาวทำถวายสังฆทานในเมื่อถวายท่าแรือท่านอารโมธนาแล้วก็เป็นเสร็จที่สี่ที่ได้ประโยชน์ที่จะให้เกิดเพียร น, นั้นตามหลักทีพระพุทธองค์แสดงไว้ว่าการให้ทานต่อบุคคลตัวเดียวเรียกว่าปุกปลิฆทานเป็นทานที่จะเพื่อจดจงอนิสงส์มีน้อย แต่ถแต่คำกับแต่สงนั้นมีอานิสงมากถ้าว่าทําแต่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นเยมุกประธานยิ่งเป็นอานิสงอย่างมากไปผลแตกต่างกันนี้ผ้าตาเละตาถิ่นตาถินนี่เป็นสังฆทานโดยสงหรือเพี้ยงไม่ได้ผ้าตานี่เป็นสังฆทานก็ได้เป็นนบุคคลก็ได้ได้แต่เจ้นาของเจ้าผาแต่ตาถิ่นนี่ต้องสังฆทานอย่างเดียว ่ในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมือมาแต่เมื่อไหร่นรกสวรรค์เริ่มมือพร้อมพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับนรกสวรรค์นี่มีมามีมาตั้งแต่สิ่งที่มีบิน ญ, ญานเกิดขึ้นในโลกพ้าหากรางแะคุณภิญญายศาสตร์ว่าโลกแผนดินนี้ตกเป็นชิ้นส่วนซึ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอ น, นแรกๆจะมีความร้อนระอุเหมือนไฟ ภายหลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์นละโลกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกที่เรสวรรค์แนลลกนี้มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่อาจพระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านาลกมีสวรรค์มีดังที่ว่าพระพุทธเจ้าจัดสรุปจากคำข อ, ของจริงที่มีอยู่แล้วไม่จะว่ามาสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนจัดสรุป อันนี้ในโะลกสวรรค์่งองมิจฉากรเจ้าพุทธเจ้าเกิดเจ้าพุทธเจ้าเกิดเพียงสู่มารูุอวามคำ ม, มาที่ใบาตามดูราม อ, อรูรามก็ทำเกิดดับพอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นตะเกียันทวนได้เปิดตามรูกายรูปคำ ให้เห็นกิดจากเป็นปัจจุบันนิธรรมนั้นไม่เข้าใจคือเนื้อการการดูกายให้เห็นเกิดจากในปัจจุบันนิธรรมเพื่อความจําง่ายๆลมหายใจออกหายใจเข้าอนุลมหายใจออกหายใจเข้ า, นน า, ออาเป็นส่วนของกายเริ่มออกเนื้ เป็นการสูดเป็นการพองของปอดในกะล่มวิ่งต่อไปถ้าแตกเย็บลมก็วิ่งออกมาการดูการเกิดดักของกายในปัจจุบันให้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นที่เข้าใจง่ายที่ททสุดื่อที่ไม่สามารถจะรักษาสิ้นแตกได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจำ เนื่องจากต้องรับทานอาหารยบ่อยก็ตัดแตกรับอาหารแต่บางส่วนเช่นั้นได้จะปฏิบัติเตียงศีลห้าได้จะปฏิบัติเตียงศีลห้าจะดีพอแล้วการปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เอสมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุมากขึ้นตัวอย่างเช่นลางวิสาขาก็มีศีลห้าลาวิสาขาก็หมดตะโกนดาบันตั้งแตอายุเจิญโกรธ ยังไปแต่งงา น, ย น, นอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศูนห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราวิสาขาหรือเป็นตัศนาปันเป็นพระอริยบุคคลตัวเมื่อเพียงศูนห้าเท่านั้นไม่เป็นอุปสรติต่อการบรรลุมรรคผล